พระมหากรปลาเขาเนี่ยมาเจอพระพุทธเจ้ามาพบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าฟังเทพพระพุทธเจ้าก็บวชเอหิภิกขุแล้วต่อมานางปัตตกาพิลาณีที่เป็นสาวิกาที่เป็นพัรยาเก่าของพระมหากรปลาบวชเป็นภิกษุณีอีกในครั้งพุทธกาลก็ได้รับเอธคคะทางคู่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 พรมันผ่านไปแล้วก็คือมันผ่านไปแล้วแดีววันพุ่งนี่ถ้าว่าไม่ถูกใจครับเกิดอารมณ์ไม่พอใจขึ้นมาล่ะขุนเครืองขึ้นมาอาหารไม่พอใจฮอาหารไม่ถูกลิ้นนี่นแหละมันก็มีเพียงแค่นั้นแต่ละวีดแต่ละวันดึกนึกดูใชเออเพราะนั้นเรื่องการเป็นอยู่ของเราอันไหนคือสาระนะนอกจากจะทําจิตใจให้สงบจิตใจให้ หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไม่มาเวียนไหวตายเกิดในวัตฏสงสารนั่นลหละอันนั้นคือสารชีวิตอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นให้พวกเราหาจุดนั้นนะจุดที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาหาจะส่งจิตออกนอกอย่างที่ว่านะให้อยู่ในจิตให้มีสติให้มีสติสัมปชัญญะอยกับตัวเองถ้าส่งจิตออกนอกแล้วขาดทุน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 เราได้อะไรกันเนก็อย่างที่เราคิดมาก่อนหน้านี้แล้วสาระของชีวิตนั่นคืออะไรถ้าเราคิดดูให้ดีทบทวนดูให้ดีมันจะมีแต่เกิดแก่เจ็บตายเท่านั้นแหละอยู่ในโลกอันนี้เราหาหนทางที่จะไม่มาเวียนไหวตายเกิดให้หนีจากการเกิดแก่เจ็บตายขอ ง, ของเรานะให้ให้มันสั้นเข้าเให้มันเห็นถ้าส่งจิตออกนอก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 ส่งไปแล้วได้กําไรอพอส่งไปต่างประเทศขายได้กําไรแต่ส่งจิตส่งใจออกไปข้างนอกมิตรขาดทุนลูกเดียวอพวกเราส่งไว้เนีส่งไปส่งมากๆเข้าไปแล้วเป็นบ้านแต่อยู่ในวัดนะอแต่อยู่ในวัดของเราเนี่ยส่งจิตออกไปข้างนอกมากๆเป็นบ้าสเลยลืมตัเองเพราะในจุดสติอยู่กับไม่อยู่กับตัวเองเลยขาดสติเลย